ตั้งก่ฟังให้ดีอัตมาจะเทศให้ฟังให้รวมกิดเข้าไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ไม่คิดไปทางอื่นก็รู้เห็นลมเข้าอยู่เวลาลมออกก็ไม่คิดไปทางอื่น ยังมีสติอยู่ประคอยประเข้าประคองความเป็นไปของกิตให้อยู่ในความสงบทั้งเวลาลมออกทั้งเวลาลมเข้าลมออกก็ให้รู้สึกว่าเรามีลมออกลมเข้าเราก็รู้สึกว่าลมเข้า ถ้าบางคนอาจจะต้องการหนักขึ้นดั น, นั้นก็คึ้นพิจาณาแยกการธาตุ น, นี้จนเหลือแต่กระดูกจนเหลือแต่เท่าแต่ฐ า, า, า น, นนั่ก็เรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาพิจณาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วระดับไปของขันนันนี่ตอนนี้ เราก็ภาวนาเป็นแล้วทุกคนใจก็สบายแล้วทีนี้ก็มาฟังธรรมะที่เป็นส่วนประกอบให้กิตของเราเพลิดเพลิดในธรรมอตมาในเทศ เรื่องทุจริตสามคือประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันนี้กระเทศไปแล้วระพฤตชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอคิดว่าคงจะเข้าใจกันดีความชั่วมันไม่อยู่ที่อืน่น มันอยู่ที่ใจของเราหรืว่กิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้เราทำความชั่วกิเลสนั่นเองเป็นเหตุให้ทำความชั่วไม่ใช่ใครที่ไหนมาทำให้เราชั่วหรอกกิเลสคือโลภะโทสะโมหานั่นแหละที่อยู่ในใจของเรานั่นแหละ มันคอยทำให้เราชั่วมันให้เราทำบาปทำกรรมทำชั่วทำผิดไปนะโลกหมกไหมก็เพราะว่าใจของเรานี่ยที่มีกิเลสดูนี่ยแหละกิเลสมันพาไปมันนำไปนำไปสู่อ ว, วัยภูมินำไปเป็นเปรตเป็นอสุรกาย นำไปเวียนสัตดิรารมีครั้งหนึ่งพระชื่อติดสะอยู่จำบรรษาแล้วเขาถวายผ้าจะนนานพรรษาใน่ผ้าจ้าหนมพรรษาเนื้อไม่ละเอียดหรอกเนื้อหยาบไปฝากพี่สาวไว้ ว่าเอาไว้นี่ก่อนแล้วต่อจะหาเพื่อนมาตัดกีบรให้มีก็หลายเดือนพี่สาวก็เห็นว่าเอ๊นผพาเนื้อหยาบมันไม่เข้าท่านะนี่เป็นช่างเลยเขาก็รู้เนื้อเนื้อหยาบเนื้อไม่หยาบเขาก็เลยเอาไปฟันไปสับไปโคกไป ทุบจนเป็นนุ่นเป็นฝ้ายใหม่แล้วเขาจึงมากรอยนึ่นเขามาทำเป็นเส้นได้อีกที่หนึ่งได้ละเอียดเลยกรอยเมาื่อก้าขันมันมันใหญ่พอทุบแล้วทาแล้วมันมันดีกว่าเดิมมันใหญ่กว่าเดิม ที่ท่านเจะพาพระสูงมาตัดตัดจีวรก็เลยไปถามพี่สาวจีวรที่ฝากไว้อยู่ไหนจะตัดผ้าแล้วอันนี้พี่สาวก็เอาผ้าที่ทําเสร็จนั่นแหละบอกมาให้ว่านี่ผ้าของท่านทั้งว่า น, นี่ไม่ใช่ผ้าของใจเนืออ้อหยาบกว่านี้ไม่ใช่เนื้อละเอียดอย่างนี้ม่หยาบไม่ใช่เนื้อละเอียด พี่สาวก็บอกว่านี่แหละฉันมาแก้ไขใหม่ธันมาทำใหม่พูดไปพูดมาก็เลยเข้าใจกัน เ, เข้าใจแล้วก็นิมนต์พระตัดเป็นกีวรเมื่อพระสงฆ์ตัดกีวรถอย ท, ยท่านติดใจอยู่นั้นพี่สาวก็ทำอาหารเลี้ยงเลี้ยงพระเลี้ยงสงฆ์ที่มาช่วยกันเย็ดกีวร ทำอาหารเลี่ยงพตรตกกลางคืนมาเอา่ออหารไม่ย่อยอาหารในท้องพระติดสาระไม่ย่อยเคยได้สั่นอาหารดีสัเ่เยอะไปเรื่องอะไรทำรองนี้แหละแต่ก็ได้เรียนมาสมัยเป็นเรียนอยู่พอเรียน สองปรีเนนั่น น, นี่ปรีเนสาเนี่เรียนมาอยู่พอตกกลางคืนมาเออมันไม่ย่อยไปก็เลยตายตายก็เป็นห่วงผ้าผ้าที่ตัดไว้เอาพวงนี้ฉันจะใส่ ตัดเดียบร้อยแล้วเอยไปผาดไว้คงนี้ฉันจะใส่โตคืนมาตายก่อนตายแล้วไปมีความเกืือใหยในตาขี้วอนก็ลเลยกลายไปเป็นลินไปเกิดเป็นลินอาศัยอยู่ในผ้าขี้วรนั้นพระก็จะมาแบ่งกันวันนี้เมื่อท่านตายแล้วไม่มีผระอุากไม่มีโยงอุบากไม่มีใครเป็นผู้อุาก ของแล้นก็ตกเป็นของสงฆ์ของสงฆ์ก็รวมใจกันเมาจะหยิบแบ่งแยกทีนี้เลนตัวนั้นก็ร้องรั่นเอาผ้ามาแย่งเอาผ้าสานผ้ามาแย่งเอาผ้าสานอาุ้มพระเจ้าประทับอยู่ในพระคันธ ก, กุฎีได้ยินเสียงได้เลยบอกพระอนุนมา เรียว่าอนุมาว่าอนุไปบอกเขาอย่าเพิ่งแจ ก, กของวันนี้หลังเกียรวันไปแล้วค่อยแจกแต่ก็มมนบอกเหตาผลว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นพอท่านตายไปได้เจีวันผ่านเจ็ดวันลินตัวนั้นก็ตายก็เกิดเป็นเทพเทวรายดาวหนึ่งเพราะว่าได้รักษาศีล อะไรไปเป็นเทวดาอยู่สันสวรสันดาวดึงแต่ถ้าพระเจกก่อนคงไม่ได้ไปสวรรค์หรอกคงเพิงไปในโลกพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์อันนี้พระองค์จึงสั่งให้พระอานรนุณบอกให้หยุดให้พระหยุดไม่ต้องเกียด ก, กันตอนนี้ให้หลังกิจวันไปก่อนนี่แหละความเยอะใหญ่ความห่วงความใหญ่ความติดความกล้อง มันให้เกิดในภูมวันต่ําเป็นเสลียสารก็ได้เป็นสันนรกก็ได้ถ้าพระแจกกีวานวันนั้นวันที่พุทธเจ้าห้ามหนูไม่เชื่อฟังพระองค์นี้เรตัวนี้ก็คือพระองค์นั้นแะ่ะพระองค์ที่มีกีวานที่ตัดกีวร น, นั่นแหละก็จะลงไไม่ในนรกเพราะโกรธด้ความโกรธก็เป็นเหตุให้ไปสู่นรก จะเลยไปสู่นรกแน่นอนแต่นี่ด้วยพุทานพระพุทธองค์ทรงพระพุทธเจ้าทรงเมตตากลัวสัตว์และเหล่านี้จะต้องไปไหม้ในนรกอยู่ในห้ามไว้นี่แหละสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีมันไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่กีดมันคล้องอยู่ตรงไหนมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นเกิดโทสะโมหะราคะตัณหาอุลักัณ มันเกิดได้ท่านหละภูมันต่ำเนี่ยภูมิสูงกว่ามืนกันมันก็เป็นไปได้ถ้าเราความดีเราก็มีโอกาสที่จะเราทำความดีเราก็มีโอกาสที่จะไปสู่ภูมิมันสูงเป็นเทเทวดามีความสุขกว่าเป็นมนุษย์นี่อีกหลายเท่าแต่ก็ไม่มีใครอยากตายแล้วเป็นเทวดาทันทีหรอกนั่งในนี้ก็ไม่มีใครอยากเป็นเทวดาหรอก เราได้เป็นเทวดาแล้วนี่จิตใจของเราสบายแล้วเราพ้นทุกข์แล้วเราพ้นจากทุกแล้วแต่ถ้าจะให้ใครมาตัดคอเราชดให้เราเป็นเทวดานี่ก็คงไม่มีใครอยากเป็นเทวดายังอยากอยู่ต่อไปอีกยังอยากมีสุขในมนุษย์ไปอีกไม่มีใครมาอยากให้เขาตัดคอแล้วได้เป็นเทวดาหรอก นก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าจะมาฆ่าแล้วได้ไปเป็นทเทวดาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคุ้มค่าเลยการเกิดการตายของเราก็ไม่เป็นทางที่ดีทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงแสดงทําไว้เป็นจำนวนมากมายเพื่อป้องกัน สั่โลกนี่แหละให้ถึงความฉุกความเจริญไม่ไปพระนิพพานก็ให้ไปไปพม่าโลกไม่ไปพม่าโลกก็ให้หไปดาวะดึงสวรรค์ท่านให้ทำความดีสิ่งไหนเป็นความดีให้ทำสิ่งนั้นสิ่งไหนไม่ดีอย่าทำอย่าทำเป็นเด็ดขาดให้ตั้งวินยให้กับตัวเองสิ่งที่ดีข้าพเจ้าจะทำ สิ่งที่ไม่ดีทำให้ใจตกต่ำข้าพระเจ้าจะไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่ดีทำสิ่งที่มีประโยชน์ทำทั้งสิ่งที่มีคุณมีเป็นสิ่งที่ทำให้ถึงความสุขความเจริญข้าพระเจ้าจะทำสิ่งนั้นตั้งปณิธานในใจ เ, เกิดมาชาตินี้ข้าพระเจ้าจะไม่ทำชั่วให้กับตัวเองจะทำความดีให้กับตัวเอง จะทำเราให้ไปสวรรค์ไปพุทมรลกไปนิพพานโอกาสที่เราจะได้เช่นนั้นมีอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วโอกาสที่จะได้ไปสวรรค์ไปพมทธมรรไปนิพพานมันมีอยู่แล้วถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหนีไปไหนมันต้องได้แน่นอนแหละเพราะแนวทางมันสมบูรณ์อยู่มรรคผลคำสอนของพพุทธเจ้ามันยังสมบูรณ์อยู่ เราปฏิบัติตามมันต้องได้สิไม่ถึงพระนิพพานก็ต้องไปถึงพุทธมรรคไม่ถึงพุทมรรคก็คจะไปถึงสวรรค์ให้ลองคิดดูอย่างนี้เราทำความดีแล้วเราต้องไปสู่ภูมิอันดีไปสู่ภูมิมันชั่วจะมีประโยชน์หลายภูมิชัว่วไปตนกนรกเสียเวลามเวลาเดือดร้อนวุ่นวายแต่คนถ้าโม โ, โห ข, ขึ้นก็นรกก็ไม่กลัวนะที่นี่ ไม่กลัวลอกนะลกไม่กลัวรอกมันจะไปกี่ขุมฉันก็ไม่กลัวนี่เนี่ยก็เลยก็่าบาปลวเห็นผิดแล้วเห็นความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ควรจะทำนี่มันก็ไม่ถูกต้องทํำแต่ในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งไหนดีให้ทําสิ่งนั้นคือทําสุจริตกายวาจาใจให้เกิดให้มีขึ้นในตน พยายามทำสิ่งที่ดีนี่แหละไม่ว่าในขณะหลับหรือไม่ว่าในขณะที่เราตื่นอยู่หรือว่าขณะที่เรานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่แต่ยังไม่หลับนี่แม้แต่ใจที่จะคิดชั่วก็จะให้มีนี่แหละให้มีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในใจให้มีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในตัว พยายามทำสิ่งที่ดีไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอยู่ที่ไหนก็ตามให้ทำดีไว้ให้มากทำความดีให้มากเพราะความดีมีผลเป็นความสุขนูกเรียกเงื่นเงื่อบุ่น่ะคือความดีบุญเรยว่าความดีบาปแล้ว่าความชั่วเราไม่ทำบาป ไม่ทำบาปทางกายไม่ทาบาปทางวาจาไม่ทำบาปทางใจคนถ้าลงถึงว่าไม่ทําบาปทางใจแล้วคนผู้นั้นต้องสังเกต <c oughs> เห็นใจของเจ้าของอยู่ตลอดเวลาคิดดีคิดชั่วคิดยับคิดละเอียดมันต้องเห็นใจเป็นอย่าง น, นั้นอยู่ตลอดมันถึงแจ่ละความชั่วทางกายทางวาจาได้คือใจมันไม่เอาแล้วทางกายทางวาจามันก็อเอาไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ ใจนี่สาคัญที่สุดใจประเสริฐที่สุดดีที่สุดสภาพอะไรต่างๆก็ใจนะเป็นทนถึงก่อนถ้าใจชั่วความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆมันก็ชั่วตามไปด้วยอย่างนี้มันเป็นความชั่วความเดือดร้อนเราไม่ต้องทำเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องนึกเราไม่ต้องปฏิบัติสิ่งไหนที่เป็นความเดือดร้อนแก่เรา ให้เราทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราเป็นประโยชน์ในชาตินี้เป็นประโยชน์ในชาติหน้าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคนิพพานให้ทำอย่างนี้ให้มีจิตคิดอย่างนี้ตลอดเรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อชำระใจของเราให้บริสุทธิ์เหล็เป็นประโซดาบันเร็นถทาคาเป็นนาค า, เ ป, นน า, คาเป็นอหรหันต์อันนั้นเป็นชั้นภูมิที่อยู่ของจิต แต่ว่าโดยทั่วไปเราก็ทำอย่างนี้แหละกาหนดรู้ใจคงเจ้าของสิ่งไหนไม่ไม่ดีให้ชำระออกไปสิ่งไหนดีก็เก็บไว้ความไม่ดีจะเอามาโชว์คนอื่นเอาความดีโชว์พยายามทำแต่สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเองมันก็มีความสุขความเจริญเท่านั้นเอง ถ้าไม่ทำสิ่งที่สวงามเกิดมาชาตินี้ผิดหวังเกิดมาเสียชาติเกิดวันนี้เราจะต่อไปเราจะมาเกิดได้อย่างนี้อีกไหมไม่แน่นอนเพราะความเป็นความตายของคนนี้มันไม่เป็นของไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรต่อจะเป็นทันติสารเปรตชั่วกายสนโลกหรื อ, อยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้เรามีลมหายใจเข้าออกอยู่เรามีสติอยู่เรามีใจอยู่จเจริญอยู่ เป็นสุขอยู่เวลาตายไปจะเป็นทุกข์เป็นร้อนหรือจะเป็นสู่พุมมสุขก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนเราจะเป็นไปได้ยังไงนี่แหละถ้าเราทำชั่วอยู่เราก็ไม่รู้ว่าความดีเป็นยังไงถ้าเราทำความดีอยู่เราก็รู้ว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรกระพื้ไม่ควรกระทานี่แหละ ขอให้พิจารณาลงมาที่ตัวของเราความเกิดแก่เก็บตายวันนี้อยู่กับทุกคนตายแล้วถ้าไปสู่ภูมิชั่วอุเศได้ที่เราเกิดมาเนี่ยไม่ได้ทําความดีไว้หรือทําความดีที่ยังไม่ละเอียดอ่อนพอที่จะไปสวรรค์ได้ทำได้นาะอยู่ตามบ้านตามเดือนไม่รู้ว่าจะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกอันนี้ไม่แน่นอนแต่ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนี่มั่นใจเลยได้ว่ามั่นใจได้เลยว่า ไม่ไปสู่ภูมิอันต่ำแน่นอนยกเว้นผู้ที่ตําหนิพระอารหันต์เท่านั้นนีงผู้ตําหนิพระอารหันต์หรือพระอเรียเจ้านี่โอกาสจะไปสู่ภูมิอันต่ำมีร้อยเปอร์เซ็นเลยถ้าแก้ไขก็ได้ไปสวัสด์ไปคมาโูกไปผู้ผานบรรูมากกดได้ท่านงให้มีก่อนจะปฏิบัติธรรมยิ่งให้มีการขมาโทษขอโทษ ข, ขออภัยขอ เอ่ยยกโทษอะไรให้ซึ่งกันอะไกันนี่แหละ ย, ยกโทษให้ซึ่งกันอะไกันเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะไม่ต้องไปสู่ภูมิอันต่าฟังธรรมก็จะได้เข้าใจธรรมแล้วจะมีมากมีผลอยู่ในใจเราก็ไม่ไปสู่ภูมิอันต่าเลยเราไปสู่ภูมิอันสูงไปสู่สวรสรค์ไปสู่ภพมโลกไปสู่นิพพาน ด้วยการปฏิบัติของเราถ้าเราทําถูกต้องแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนีะยถ้าทำไม่ถูกก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างอื่นไปแต่เห็นถูกเห็นผิด ก, ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้เห็นผู้เคยปฏิบัติมา ก, ก่อนรู้มา ก, ก่อนมีความประสบการณ์มา ก, ก่อนอย่างนี้เราจึงต้องมีครูบาอาจารย์ผู้ที่คอยแนะนำคำสอนตักเตือนให้เราตั้งในความดีตลอดอย่างนี้แหละ การกระทาในสิ่งที่ไม่ดีนี่ต้องเลิกละให้ได้อย่ายึดถือไว้ในใจมันจะพาใจของเราไปสู่ภูมิวันต่ามันรู้กิเลสมันรู้มันรู้ว่าโอ้คนนี้โอกาสดีกว่าคนอื่นมันรู้มารมันก็รู้ว่าเราประพทติปฏิบัติอยู่นี่มันก็มาทำลายเราให้ประพฤติไม่ดีให้คิดไม่ดีให้พูดไม่ดีให้ทำไม่ดี กิเลก็ดีมารก็ดีมันพยายามทําใจของผู้ที่มีโอกาสจะได้เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนี้ให้ตกตามลงไปเป็นส่วนอวายภูมิอย่างนี้มาทดสอบเอาง่ายใกล้ๆนี่แหละจึงไม่ต้องคิดเลยว่าจะไม่ไปสู่ภูมิอันต่าถ้าทําชั่วต้องไปแน่นอนแต่ถ้าทําดีแล้วถ้าทําความดีแล้วโอกาสสิจะไปสู่ สวรรค์ไปสู่ภพโลกไปสู่นิพพานนี่มีมากมายกายกองเราต้องยึดเอาว่าเราเกิดมาชาตินี้เราจะทําดีให้ถึงที่สุดนึกไว้ในใจนี่ไม่ต้องหวกใครแล้วถ้าบอกแล้วมันมานมันรูนนนนน้ให้เราตั้งใจว่าเราเกิดมาชาตินี้เราจะไม่ทําชั่วเลยสิ่งไหนที่เป็นความชั่วเราจะเลิกละให้หมดไม่ให้เหลืออยู่ไม่ให้คงอยู่ไม่ให้มีอยู่ ให้หมดไปจากใจเลยให้ใจนี้คิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องไปสู่ภูมิอันดีให้ถึงที่สุดภูมิอันดีก็คือตั้งแต่สวรรค์ น, นี้ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนถึงสวรรค์ถึงคมมาโลกถึงนิพพานนี่คือภูมิอันดีนิพพานก็เรียกว่าโล ก, กุตตรภูมิภูมิเหนือโลก อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ปฏิบัติไปแต่ใจเราสงบเย็นสบายปล่อยวางได้หมดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไหนมีแต่ความสุขใจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิวัติชอบนั่นแหละขอให้ตั้งใจปฏิบัติไม่ว่าจะยากง่ายปานไหนก็ตามให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดี ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งใจปฏิบัติให้สมกับเราเสียสละเวลาอันมีค่ามาอยู่วัดอยู่วาตั้งเจ็ดคืนแปดคืนเพื่อที่จะทําใจของเราที่ไม่สงบให้สงบทําใจของเราไม่ดีให้ดีทําใจของเราให้มีมากมีผลมีพระนิพพานในตัวนี่แหละคือเว้นการ กายยะสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตเว้นกายเอ่อทำกายสุจริตให้เกิดขึ้นทําวาจาสุจริตให้เกิดขึ้นทําใจให้บริสุทธิ์ขึ้นกายวาจาใจเป็นสุจริตชื่อประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจอันนี้แหละที่จะนําเราไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่มรรคผลนิพพานขอให้ตั้งใจปฏิบัติ นี่เราก็ปฏิบัติมาแล้วได้หกวันแล้วพวกนี้เราก็หมดการปฏิบัติเพราะฉะนั้นใกล้จะหมดเวลานี่มันคิดถึงน่นคิดถึงนี่คิดถึงว้านถึงปัญหาที่เราจะต้องไปต่อสู้เราจะทํำยังไงเราจะรักษาจิตให้ดียังไงอันนี้แหละสําคัญก็ไม่ต้องทําอะไรมากหรอกคอยรู้ใจของเจ้าของคอยรู้ใจของตนเอง เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ให้รู้ความรู้สึกว่ามีลมอ่อนอ่อนอยู่ที่จมูกตลอดใจเราก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดถ้าเราไม่ใส่ใจเลยปล่อยตามเรื่องตามราวไม่สนใจมันก็ค่อยอ่อนกลาลังลงอ่อนก็เรางลงในสุดก็พมาาและเสื่อมซไปในที่สุดนี่แหละขอให้คิดอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้กายเป็นสุดจริต วาจาเป็นสุดจริตจใจเป็นสุดจริตก็จะได้รับความสุขความเจริญตลอดไปไม่ว่าวันนี้หรือพวกนี้หรือตลอดเวลาในโลกนี่แหละอายุร้อยปีก็ให้มีความสุขอยู่ร้อยปีแต่ไม่ถึงพันปีสัคนหรอกหมื่นปีก็ยังไม่ถึงพันปีก็ไม่ถึงถึงเจ็ดสิบแปดสิปีเท่านี้แหละประมาณนี้ ก้าสิปีก็ไปแล้วนี่เพราะนั้นให้ตั้งใจทำความดีเวลาที่เหลืออยู่นี่เป็นเวลาที่เราจะตักตวงเอาความดีให้มากที่สุดความดีในการรักษาศีลความดีในการให้ทานความดีในการรักษาศีลความดีในการภาวนาความดีในการละความชั่วทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ ก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาขออยุติธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้ให้ตัง้งใจปฏิบัติต่อไป